หลวงปู่บุทธาฐาวโรนี่เป็นพระอริยสงฆ์ที่ผู้คนภาครกราบไหว้กันทั่วประเทศท่านเคยเป็น 2437 เกิดที่จังหวัดลพบุรีอำเภอโคก มีพี่น้องทั้งหมด 7 คนในช่วงวัยเด็กหลวง 21 ปีก็ถูกเกณฑ์เข้า 6 รับ 2 ปี สมัยเมื่อเป็นพลทหารหนุ่มรูปงามใน ให้อธิบายขออธิบายเหตุผลว่าในทวีป 4 ปีท่านก็มี เพราะฉะนั้นบ่มีโอกาสท่านก็ 28 ปีละบวชที่ 25 รูปนั่ง หลวง 25 รูปนี่เป็นครูบา หลวงปู่มุ่งปฏิบัติกรรมฐานพิจารณากายภายใน แล้วก็พบกับพระทุโดงองค์หนึ่งคือ 10 ปีทันทีที่พบ แล้วก็ได้พบสถานที่ดีคือถ้ําภูคาบนภูคา ทำนักอาศัยบำเพ็ญเพียรจนได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้ง 2 องค์หลวงปู่บุทธาท่านได้เล่าเหตุการณ์ในวันที่ๆหลวงไปเฉยๆ หลวงปู่ๆก็แปลกใจว่าทําไมหลวงปู่ๆก็ถามหลวงปู่พุทธดาบอก หลวงปู่ไม่มีคนไปนรกก็มาบอกต่อหลวงปู่พุทธดาบอกว่าไม่มีคนไปนรกไม่มี จิตเดียวศาสนธรรมก็อยู่ที่ตาธรรมหูธรรมจมูกธรรมลิ้นธรรมวาจาธรรมใจธรรมศาสนา เขาทําตามธรรมชาติไปอย่างนั้นเองธรรมชาติเค้าก็ทํา หลงปูเย็นได้เริ่มดำเนินการบุรณะแล้วก็ขอสร้างบทขึ้นก่อนเมื่อหลงปูบุด familianic bush portrayed aschool and เอามาแล้วก็แบมืออ่าขึ้นเทแป้ง เอาแป้งไปทาแล้วมันหายโรคหายภัยอ่าหายได้นะจะว่าไงอ่ะหลวงปู่เคยไปสนทนาธรรมพบปะและเช่นครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจาดหลวง หลวงปู่ดูหลวงปู่ชาท่านพุทธทาสหลวงปู่เถดหลวงปู่เล่าว่าแม้ท่านจะจำพรรษาที่แห่งเดียวติดต่อกันบ้างบางแห่งแต่ท่านว่าท่านไม่เคยก็จะ จน 74 ปีและร่างกายท่านสูส้มแล้วก็หยุดเข้าอายุ 80 ท่านจึง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ปี 2536 หลวงปู่บุทธาได้ หมอก็ก็นำหลวงปู่เข้าหม 12 มกราคม 2537 อาการของหลวงปู่ คณะแพทย์ก็เรียกระดมแพทย์ที่ให้การรักษา 19:30 น. คณะ 19. ICU ว่า 101 ปี 7 วัน 73 ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อ 4 ประโยคมาแล้ว ในขณะที่ท่านเป็นสามเณรนั้นท่านเจ้าคุณพระอริยะกุณาธรหรือว่าเสงปุสโสท่านจาริกทุรดงไป ก็มีสมณะเนนพุทธรูปนี้ติดตามไปด้วยทุกคนทุกแห่งได้รับการแนะนําสั่ง เมื่อพระอาจารย์เสามาจำมาศาที่วัดบุรพาพระอาจารย์พรก็นำสามเณรให้ก้าวหน้า ท่านก็พาสามเณรพุทธมาฝากไว้กับ 4 ประโยคขณะ 2485 อายุครบบวช เป็นพระอุปชาได้รับฉายานามว่าฐานิ อาการของโรคก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆสําหรับโรคนี้สมัยนั้นเป็นโรคที่ไม่พระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้ไป ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเพียงประการเดียวพยายามคงมุ่ง รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวมองเห็นความตายเป็นเรื่องปกติจิตก็ผุดตัวรู้ขึ้นมาว่าชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขานอนตายกันทั้งนั้นตัวท่านจะนั่งตายได้ยังไงพอคิดได้อย่างนี้ก็เอียงกายนอนราบลงไปในขณะที่นอนอยู่ก็ได้กำหนดจิตพิจารณาต่อมามีความรู้สึกเหมือนจะเคลิ้มหลับแต่ไม่ขาดสติจากนั้นก็รับรู้ว่ามีแสงสว่างแผ่ออกไปรอบกาย ตรงกลางศีรษะมีดวงแสงเล็กๆปรากฏขึ้นดวงนี้เลื่อนลง แล้วก็จิตกําลังพิจารณาร่างกายสังขารของหลวงพ่อพุทธ ผิวหนังปริแยกแตกอ้ามีน้ําเหลืองน้ําหนองหลายพรั่งพครูออกมานองจากนั้นร่างซึ่งบวมอืดก็ค่อยๆยุบแห้งเหี่ยวแฟกลงมาเรื่อยเรื่อยจนมีสภาพเป็นทรากคราวนี้เนื้อหนังก็ค่อยๆหลุดออกไปทีลชิ้นทีละส่วนจนเหลือแต่โครงกระดูกขาวโปนแล้วกระดูกก็ค่อยๆแตกสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากชิ้นเล็กกินน้อย แล้วผงกระดูกเหล่านั้นก็จมหาย โครงกระดูกเหล่านั้นเรียงรายเป็นรูปร่างของคนจากนั้นกระดูกแต่ละๆกับร่าง มีสบงจีวรห่มคลุมร่างกายเหมือนเดิมเป็นลำดับสุดท้ายร่างกายสังขารของหลวงพ่อพุทธเกิดการ ต่อมาดวงจิตนี่หรือคือความตายมีใช่แล้ววูบไหวหลุดโคมไฟถูกกระแสลมๆ ในขณะที่เกิดท่านอดสงสัยไม่ได้ว่าเราตายไปหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงของร่างกายสติ พร้อมกันนั้นก็ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งฐานิโยวัดป่า